สวัสดีครับพี่น้องครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูสามสิบแปดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูกับนิโคเดมัส ต, ตอนที่หนึ่งตอนย่อยก็คือแผ่ดินของพระเจ้าพี่น้องครับเราข้ามจากบทที่สองนะครับเราก็ผ่านบทที่สองขึ้นมาถึงบทที่สามบทที่สามนี้มีข้อพิมร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกข้อหนึ่งก็คือยอห์นบทที่สามข้อสิบหกนะครับ ตอนที่เราจะไปถึงบทเรียนของเราในวันนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสท่องยอนไที่สามข้อสิบหกพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์อาเมนพี่น้องครับหลายๆท่านก็รู้จักพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นอย่างดี แต่ก็หลายในก้งทีเดียวเราก็นานมาแล้วครับเรายังไม่ได้ท่องพังผืกคอนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ในเช้าวันนี้เราได้มีโอกาสท่องความกันครับในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้นะครับเราจะเรียนถึงบทเรียนสองบทเรียนใหญ่ๆด้วยกันนะครับตอนแรกก็คือเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าและตอนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการบังเกิดใหม่ครับทําให้เราทั้งหลายได้รู้ถึงแผนการแห่งความรอดซึ่งเป็นแผนการนิรันดร เป็นแผนที่ลึกลับที่มารซาตานั้นอ่านไม่ออกและเป็นแผนที่ไม่มีใครเคยเข้าใจเลยถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยจำแดงกับพวกเราทั้งหลายและพระเยซูได้ส่งให้นิโคเดมัสซึ่งเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความรู้สูงเป็นคนที่มีหน้าเมีตานในสังคมเป็นคนที่มีเสน่น์ภาพดีได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับอันนี้ซึ่งเป็นแผนการนิรัน ลึกลับซับซ้อนที่ไม่มีใครเคยเข้าใจมาก่อนพี่น้องครับย้อนบทที่สามข้อสิบหกนั้นเป็นพระบัญปีข้อแรกที่หลายท่านท่องได้ท่านรู้ไหมครับว่าเมื่อพระเยซูทรงสอนข้อ น, นี้เป็นครั้งแรกนั้นพระเยซูทรงสอนให้กับนิโคเดมัสครับพูดกับนิโคเดมัสเป็นการส่วนตัวและในขณะนี้พระบัญปีข้อ น, นี้ก็กลายเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงสอนให้กับคนทั้งโลกบอกกับคนทั้งโลกเช่นเดียวกันการที่พระเยซู ได้เปิดโอกาสให้นิโคเดมัสมาพระองค์ขณะที่โงค์ยังทรงประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มและยอนก็ได้บันทึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้และเรื่องราวต่างๆนี้เพราะเนื่องจากว่าเรื่องราวต่างๆนี้มีความสลับสําคัญมากหลังจากเทศกาลปัสกานะครับยอนซึ่งเป็นผู้บันทึกพระกิติคุณเล่มเดียวที่เล่าถึงนิโคเดมัสครับจากยอนบทที่สามนี่ครับเราจะได้เห็นเกี่ยวกับเรื่อง ราวของแผ่นดินของพระเจ้าพี่นงครับผมจะเล่าให้ฟังถึงบริบทเบื้องหลังนะครับเมื่อเราอ่านยอห์นบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อยี่สิบเอ็ดแล้วให้เราเห็นภาพของกลางคืนหลังจากเทศกาลปัสกาพระเยซูก็ยังคงประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์ข้อที่หนึ่งกล่าวว่าเขาคือทิโคเดมัสเป็นฟาริสีเป็นขุนนางคนหนึ่งของพวกยิว พวกไฟสีนี้พี่น้องคงทราบดีนะครับเป็นผู้นําทางศาสนาของปาเลสไตน์และสภาเซนเฮดริงซึ่งเป็นสภารหรือสภาสูงสุดครับเป็นศาลปกครองเป็นสภาปกครองของคนยิวมีสมาชิก70คนสภานี้นะครับรับผิดชอบตัดสินคดีทางศาสนาภายใต้ระ บ, บอบการปกครองของโรมสภานี้ก็จะต้องมีวิวัฒนาการนะครับหรือพัฒนาการของมัน ไม่ว่าใครจะมาปกครองก็ตามนะครับจะเป็นม้ามนาจจักรวรรดิไหนก็าตามสภาหนี้จะต้องรับพิจารณาและเพื่อที่จะปรับตัวเองปรับสังคมของคนยิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสีครับพวกเขาเนี่ยเป็นระดับชนชั้นปกครองเพราะฉะนั้นก็ปรับหลักข้อเชื่อของตัวเองปรับงานของตัวเองปรับวิสัยทัศน์ของตัวเองพันธกิจของตัวเองสภานี้เป็นสภาที่ค่อนข้างจะมี อิทธิพลนะครับมีความสำคัญของระบบการปกครองโดยเพราะอย่างยิ่งในสมัยนั้นคนยิวนั้นก็ไม่สามารถแยกออกระหว่างรัฐ ก, กับศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเขาปกครองด้วยกฎของโมเสสและด้วยข้อบัญญัติต่างๆที่บัญญัติขึ้นมาภายหลังเพื่อที่จะเสริมกฎเหล่านี้ในฐานะฟารสีนะครับมิโคเดมัสก็เป็นคนที่เคร่งศาสนาและใฝ่ใจปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครับ ในข้อที่สิบกล่าวว่านิโคเดมัสนั้นเป็นอาจารย์คนหนึ่งด้วยหมายถึงเป็นครูคนหนึ่งด้วยครับและจากในพระธรรมยอห์นบบที่สิบเก้าเราจะพบนิโคเดมัสนะครับอีกครั้งหนึ่งเราทราบเพิ่มเติมว่านิโคเดมัสนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นฟาริสีนะครับแต่เขาก็ยังมีฐานะร่ํารวยจากข้อมูลเหล่านี้เองทําให้เรารู้ว่านิโคเดมัสนั้นเป็นคนสําคัญคนหนึ่งนะครับของพวกสปาสแสนเนกริน จึงต้องมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนเขากลัวนะครับหรือเขาไม่กล้าที่จะมาหาตอนกลางวันเขากลัวคนเห็นครับนี่คนมาต้องการเวลาที่จะสนทนากับพระเยซูโดยไม่มีใครรบกวนด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับอย่างนั้นก็ตามครับนี่เป็นการคาดหมายของนักวิชาการทั้งหลายแต่ย้อนไม่ได้บอกเกตุผลไว้แต่มีความเป็นไปได้ครับที่การที่พระเยซูได้เปิดโอกาสให้เขาได้พูดคุยนะครับในเวลากลางคืนก็เพราะว่า เขาจะได้ซักถามและยอนนั้นได้ใช้หนึ่งบทด้วยกันของเขานะครับ21ข้อเพื่อที่จะบันทึกสิ่งที่สําคัญมากเช่นนี้นะครับในวันนี้เราอยู่ในตอนที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้านั่นคืออะไรครับให้เราสังเกตนะครับในนิโคเดมัสในข้อที่สองนะครับของยอนบอกว่าพวกข้าพระเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า หมายความว่ายังมีคนอื่นๆที่ยังสนใจเรื่องของพระเยซูสนใจคําสอนของพระเยซูสนใจมาราคาหรือการปฏิบัติหรือการปฏิบัติ ร, รับใช้พระเจ้าของพระเยซูและปฏิบัติมวลชนของพระเยซูและคนเหล่านั้นไม่ได้ต่อต้านพระองค์นะครับไม่ได้ต่อต้านพระองค์เหมือนกับสมาชิกส่วนใหญ่ของสภาแสตเตอร์นินนิโคเดมัสก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ไม่ได้ต่อต้านพระองค์แต่เขา ปรารถนาที่จะเห็นความจริงเห็นศีจธรรมและรับทราบถึงสิ่งที่พระเยซูกาลังสั่งสอนอยู่บางทีนิโคเดมัสก็เป็นตัวแทนนะครับหรือออกโรงแทนคนอื่นๆที่สนใจอยากจะทราบสิ่งที่เยซูสอนประการที่สองนะครับเราจะเห็นข้อสังเกตที่ว่านิโคเดมสัสไม่ได้กล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาเหมือนกับฟิลิปหรือสาวกของพระองค์บางคน นิโคเดมัสไม่ได้เรียกพระเยซูว่าลูกแก่ของพระเจ้าหรือพระเป็สะพาดกของพระเจ้าเหมือนกับยอนผู้ให้บัพติศมาแต่นิโคเดมัสนั้นได้เรียกพระเยซูว่าทรงเป็นครูที่มาจากพระเจ้าหรือว่าเป็นรับบีนะครับซึ่งแปลว่าอาจารย์หรือผู้ที่สอนพระโอษะของพระเจ้าสอนกฎเกณฑ์กฎเป็นหยาดของพระเจ้านั่นเองนิโคเดมัสทูลว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นลักษณะของผู้เผยพระโอษณะครับเพราะฉะนั้นครูที่มาจากพระเจ้า ก็จะมีสักนภาพของผู้เผยพระนะด้วยเหมือนกันฉะนั้นจึงเห็นชัดเจนนะครับว่านิโคเดมัสมิได้ยังม่ได้ยอมรับความจริงว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่หลังจากนั้นนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเก้าเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนและนิโคเดมัสก็มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะอัญเชิญ พระศพของเปรเยซูลงมาจากไม้กางเกงเรารู้ตรงนั้นครับว่านิโคเดมัสได้ทราบความจริงแล้วครับว่าเปรียซูเป็นใครนะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของแผ่นดินของพระเจ้าสักทีหนึ่งนะครับแผ่นดินของพระเจ้านั้นมีไว้สําหรับผู้ที่บังเกิดใหม่เท่านั้นครับข้อที่สามครับเป็นข้อที่สําคัญมากเปรียซูบอกกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้อันนี้เป็นประการแรกนะครับแผ่นดินของพระเจ้ามีไว้สําหรับคนที่บังเกิดใหม่เท่านั้นพี่น้องครับความเชื่อสองอย่างของคริสเตีนยนที่สําคัญก็คือแผ่นดินของพระเจ้าและการบังเกิดใหม่แผ่นดินของพระเจ้านั้นข้อสังเกตประการที่สองก็คือประกอบด้วยบรรดาผู้เชื่อที่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดอยู่รวมกันครับ อยู่รวมกันที่ไหนที่นั่นกลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้าในความหมายนี้จึงมีสองที่ด้วยกันนะครับก็คือที่แรกก็คืออยู่บนสวรรค์ครับก็คือเป็นที่ชุมนุมของผู้ที่เชื่อผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่บังเกิดใหม่ในพระวิญญาณพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะแผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่บนสวรรค์ครับ แต่นี่เป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูคริสต์ได้ทรงชักจูงนะครับร้องลายให้เข้าใจถึงแผ่นดินของพระเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแผ่นดินของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่บนโลกนี้แผ่นดินของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในโลกนี้นั่นหมายถึงอะไรครับนี่เป็นข้อสังเกตประการที่สามครับหมายถึงการรวมตัวกันของผู้เชื่อซึ่งก็คือกิตจักรนั่นเอง พี่น้องครับในสมัยยุคของเรานี้เป็นยุค ข, ของพระจักรนับตั้งแต่ที่พระเยซูเสด็จมาครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครั บ, e er รบพระเยซูได้ตั้งแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้และพระเยซูอสอนให้เราปฏิฐานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระชัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับแผ่นดินของพระเจ้าบนสวรรค์เ ป, เป็นอย่างไรนะครับ แผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแผ่นดินของพระเจ้าในบนสวรรค์นั้นก็คือการชุมนุมหรือการรวมตัวของผู้เชื่อการรวมตัวของผู้เชื่อก็คือใะรครับก็คือบรรดชนของเรานั่นเองที่ได้จากเราไปพี่น้องครับหากใครที่ได้สูญเสียผู้ที่รักซึ่งเขาอยู่ในความเชื่อเขาได้บังเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับในเวลานี้พวกเขาอยู่บนสวรรค์ครับวิญญาณของพวกเขา กำลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่กำลังรวมตัวกันอยู่กำลังมีการหนุนจิตชูใจกันอยู่กำลังมีสามัคคีธรรมกับองค์ครบริญเจ้าและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันอยู่นี่คือสิ่งที่บังเกิดขึ้นบนแผ่นดินของพระเจ้าและชีวิตของทุกคนพวกนั้นนะครับบริสุทธิ์ไม่มีน้ำตาไม่มีการร้องไห้ไม่มีความทุกข์การข่มขวนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ เราขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ก็คือคริดจักรของพระองค์ก็เป็นการรวมตัวของผู้เชื่อเป็นการมีสามาัคคีธรรมระหว่างผู้เชื่อกับองค์พระเยซูคริสต์และสามาัคคีธรรมด้วยกันเองนี่คือสิ่งที่จําเป็นและสาคัญและจะต้องให้เกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่ยนี้นั่นคือคริดจักรครับในขณะเดียวกันครับคิดจักรของพระเจ้าจะต้องบริสุทธิ์เหมือนกับแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่เบื้องบน แผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่ในโลกนี้นั้นจะต้องบริสุทธิ์เช่นเดียวกันกับ <c oughs> กับแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่เบื้องบนแต่พี่น้องครับเพราะเหตุความบาปและร่างกายที่อ่อนแอของเราเพราะเหตุการร่อลวงการทดลองของมารซาตานที่อยู่ในโลกนี้ทําให้เรายากใช่ไหมครับที่จะดํารงตนอยู่ในความบริสุทธิ์แต่นี่คือบทเรียนของเราที่เราจะต้องพยายามพึ่งพา พระคุณของพระเจ้าพึ่งพาฤทธเดชอำนาจการเจิมที่มาจากพระเจ้าพึ่งพาฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะชำระเราที่จะช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อที่เราจะเป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่ตั้งอยู่บนโลกนี้จริงๆพี่น้องครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องาวทุกท่านในเช้าวันนี้ให้สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนั้นจะเกิดประโยชน์และเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอาเมน